เอ้ยนะพอมารียนิบวสครับน้เได้หน้าสิปนะครับรา่ข้อยสิที่สุดใดให้รู้อยู่กาคุตริมนุษตซนที่มียาที่นะันบริสุทธิ์สามารถประหารกิเลศได้ โดยเขาเข้ามาในตอนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ครับหลังจากนั้นที่สูนั้นจะถุกโตดสอบสวนหรือไม่ก็ตามก็ต้องอาบัติแล้วต้องการเป็นผู้บริสุทธิ์จึงผู้ทำคำอย่างนี้ว่าท่านสงายข้าพเจ้าไม่รู้ได้กล่ามว่าเรารู้อย่างนี้ไม่เห็นได้ขาวว่าเราเห็นอย่างนี้ข้าพเจ้าได้กลาวคําเท็จคาเพ้อไปสองค้ง แมู้สูพวกนี้ก็เป็นผู้ไข้แท้ไม่มีสางวาสเว้นแต่ตอนแรกกราบด้วยสมรร์จิตบ้าด้านมารุนะครับเหมืนอนกัข้อนี้เสี่ยวการกาตริกราบบัวนะครับอุรตรีนุสธรรมที่ไม่มีจิ น, นตนเพราะว่าผู้สูตรายไม่รู้อยู่นะครับก็คือไม่ได้รู้จินนะไม่ได้แทงตอดไม่ได้รู้ไม่มารุษคุณธรรมหรอกนะครับเลยไม่รู้หรอกแต่กราบัวอุตรีนุสธรรม คุงมนุษย์ทำหรือวแปลทางสามนะแปลว่าคำของมนุษย์แล้วก็ผู้ยอดเยี่ยมเยี่ยนะครับคำของมนุษย์ผู้ยอดเยี่ยมก็ผู้กล้านะคำของมนุษย์ของมนุษย์ผู้ยอดเยี่ยมมนุษย์ผู้ยอดเยี่ยมทีนี้คือใครครับก็ได้แก่ผู้ได้ช่างหรือว่าผ้าเยี่มคนนะครับคำของคนเหล่านี้นะก็ได้แก่อะไรก็ได้แก่ชางคือว่าลูกบอจระานช่างลูกบอลประานชาหรือว่าม่อมขรุขระ นี่นะเลี้ยวจริงนิสธรรมเท่าธรรนี่เท่าเทียมกันนะอันนี้ต่อไปท่านที่มาถามนะรับมีญาตทัศนะอันบนสุดนมครับท่านจ้าที่มาข้างในท่านเรียกว่าญาตทัศน์อันบนชื่อว่าญาตาก็ว่ารู้นะชื่อว่าทัศนะเขก็ว่าเห็นจ้าบอกว่าคือปัญญาแหละคือจริติสสธรรมนะครับก็คือปัญญาเนี่่หัญญาแหละชื่อว่าญาตาก็ว่ารู้นะครับช่วยาทัศนเาก็ว่าเห็น เห็นด้วยนะปัญญาสัตสูงนะแต่เหมือนกับเห็นด้วยตายครับคือเห็นบางรูแล้วแจ้งกัท้ามาก้ครับแล้วก็น้อมเข้ามาในตนอยนี้นะครับองศรีหน้าที่ตัวเองไม่รู้จะมีจริงเน่ยน้องเข้ามาในตนอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไม่ไหมายควว่าแกพูดอย่างนี้นะข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนมีประการหมดที่ไหนใช่ไหมเออถ้ายกมาท้าวยกมา แต่าะว่ารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เนี่ยมาในอวดนะว่าข้าพเจ้าเนี่ยมรรลุพระพุทธองคนแลข้าพเจ้าบรรลุขออย่างนี้นะอวดอย่านี้แล้วหรือข้าพเจ้ากำลังเข้าปมฌาอยู่นะเข้าปฐมฌาแล้วได้ปมฌานเนีิาการต่างๆนี้นะครับนี่ไงที่ชื่อว่าข้าพเจ้ารู้อย่างนี้เหนย่นี้เนี่ยเดี๋ยวท่านจะบอกวิธีการอวนะวิธีอวนะครับท่านแสงสุนัขหัวหน้าให่นะครับเอาหูไป่รู้ต่ทว่า ถ้าอุปถัมภ so ์หรือว่าธรรมว่าคืออะไรมากก็คือมัชขนมคชขนิพาชาสมาบัติิญญาครับเป็นตอนที้นี่นะเดี๋ยวข้างหน้าจะีครับว่ามัชขนิพาชาสมาบัติภิญญาครับนี่นะแล้วก็นะครับก็หวือว่าตรีเอได้ตัวเอรรุตัวเเข้าถึงนะตัวเองกเข้าถึงนะหรือแมหัวไม้เนี่ยอะไนะจิตของข้าพเจ้าครับ เขาเป็นเจ้าละอันละฆ่าโทสะโมหะอะไรนี่เขานี่ก็เป็นการบวชนะหรือว่าใครเป็นคนบว่านี่ยเขาสป็นเจ้าละอันละฆ่าได้แล้วเนยแสดงว่าเขาบวชเขากำลังบวชว่าเขาเป็นผ่าอรยะใช่ไหมด้วยกัละอันล่าไดก็ต้องขั้นถ้าไหนาะอันละามีขึ้นไปแล้วนี่เขาหรือว่าเป็นฆ่าสรรเลยนะละโทสะละโมหะนี่เขานี่ก็เป็นการบวชนะท่านั่นแต่ที่เขพูดพูดกันที่เขาบอกว่าตั๋งอะไรตั๋งนะ เขาบอกว่าคุณตาคุณย่าครับแต่บุกทีเขาพูดเราะรู้สึกวไม่เป็น่เปก้าวตัวตัวเองงในคุณณะที่ไม่มีนะแม้ว่าถ้าท่าสคิดไม่ได้มารูปก็ไม่ต้องครับต้องใช่ครับมันจะมีปัญหาเนียนี่นะแล้วก็บอกว่าถ้าเราพูดหปวดไปได้อย่างนี้นะเลยวิธีการนะครับแม้ขณะว่าข้ากเจ้ามีอยู่ในเรือนรั้วป่านี่นะขาพเจ้ามีอยู่ในเรือนรั้วป่ากวอย่างนี้ ยังไ่เป็นประการชี้เนยครับเป่นการหัวเราอยินดีในบ้านั่งอื่นจะไปที่ไหนคนใดไมนมาลูกอะไรที่จิจีได้ใช่ไหมครับแต่ต้องไปต่อด้วยมดว่าด้วยบทมัจฉาต้องไปต่อนะหรือด้วยผ้าตะผมนะยินีในบ้านฝัานด้วยนะครับะผมจะต้องต่อด้วยคหลานี้อย่เช่ครับว่าฉิตของข้าเจ้าเปิดแล้วานั้าพุทธสารมุ่หายเนี่ยนะเหน่ยครับไปน่านั้นนะหรือแม่หัวเาเลย ในนักขรรมชาตจะเกิดีอย่างมากไม่เกิดเจ็บชาตนีนะครับก้อนท้าวก็ว่ามันเป็ทรัพยากรว่าตัเองเนี่ยเป็นอะไรเป็นพระสงฆ์นามบัณฑ์เนี่ยไม่นไม่นะก็ถือเป็การเกิดอะไรแล้วที่เราต้เป็นจิงก็เป็นจริงก็ต้อ็ไป่ต้องมาใชนแต่เ็ไปไอตีนอะอตีนที่รู้สึกก็ไอตีนก็เป็นดียืนในมุ่งหมายเาว่างเป็นไปินะครับโผล่ตีนที่มีจริงนะแต่ว่าถ้าทียัไม่โผดให้นะครับ เพื่อหัวนะนี่แต่ว่าบอกนะครับบอกว่านคะือบอกให้แกที่สูญหรือสารทา่านไม่เพิ่มการอ่านนะครับท่านจะบอกในกรณีนี้นะในกรณีไหนนะในกรณีที่ต้องกาให้เขารู้ว่าการปฏิบัติในฐานะนี้นะครับเป็นสิ่งที่ไม่ไร้ผลนะแต่ว่าคาเจริงมีอยู่จริงนะครับเพราะคนี้ปฏิบัติไม่ได้มารู้ๆเหจริงดีงนะครับท่านก็จะบอก น, นคะครับ เกิดก็ไม่ด้เกิดคาเพียนะเกิดวิ่ยากุษาห์นัเกิดสัดขามนะครับในใจเป็นบาปเนต่ยในกรณีนั้นจะบอกนะแต่บอกข้ามบอกข้ามอ่างนี้กันนะไม่ได้ไปบอกไปโยงอะนี้ครับแต่ทำงานก็มบอกนะคับบอกเพรา็วข้าวไม่ยากุาไม่ออวดใช่เอ้ยเที่ยวรวยเน่อนีม่มอะรม่เนี่ยนี่ครับแล้วก็เมื่ออวดแปแล้วกนทีหังเนี่ยจะถูกสอบสวนหรือไม่ก็ตารสมัยก่อนถ้ามีใครโวยสนิทก็ทํา่า มันนี้รม่เชื่ออะไรท่านไม่เชื่อไม่สน็จนะครับท่านให้สองสวนก่อนวิธีการสอบสวละเอียดเลยนะท่านมารู้ที่ไหนรอะไรมารู้ยังไงเจอเริญศิษปัญหาหมวดไหนมารู้นรือเปลาถามขั้นละเอียดเลยนะจะให้ได้ความแน่ใจว่าเออมารู้จริงป่าเดี๋ยวเนี่ยท่านจะเล่นิีาง้นครับสร้างละเอียดเลยถ้ามารู้จริงจะบอกให้ ไม่ใช่ผมลืมไปแล้วนางานั่นเองผมลืมไปแล้วมันม้วนๆเลเก็ไม่มีก็ไม่มีหรอกนะถ้ามันม้วนแล้วก็จะเสจยใจเลยนะจางไมเลยนะเพรเป็นสิเคไม่เป็นสิ็งมามเลยลูบมันจะชัดเจนใช่จไปนะครับแลวเมื่อตาปวดแผลจะถูกสอบสวนนะครับหรือแม่ถุงสดถึงก็ามนะหรืว่าตาปวดบนะครับตาปวกับคนดู้ใชานมาลูนันเอามารูด้วยนะครับแค่ตดสิน และทอดลูกฟางในสนะนั้นรพอทอดลูกฟานขนแล้วก็เป็นปาิโดรุ่นเรน้ำไม่อาครับลูกวาเป็นไฟต้องเ่าถูกไหพระืว่จูก็จะเป็นแค่โยมม่ชีสมุนไอะไรเพราะั้น่งไม่เกี่ยวโดนไม่เกี่ยวมาโดนปลายิ้นนั้นนะครับโดหมดเลยนะแต่ท้จริงไม่เป็นจริงไม้เป็นปลาหรือีครับไม่จริงก็เป็นปลาชิ้นับ แ้วเขาต้องรู้มาเนี่ยขนาดนั้นเยไหมครับถ้าคุณแล้วเไม่รู้ความในนั้นก็ไมเป็นรับไม่รู้าสนี่แหละนี่แหละนะครับถ้าบอกว่าต้องการความผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมจึงพูดคัพคํานะครัต้องการเป็นผู้บริสุทธิ์นี้ก็บอกว่าต้องการผู้บริสุทธิ์คือต้องการเป็นเครื่องสารต้องรมาต้องการเป็นสริขสิิสเนเนื้อมาของคนมั่นใช่ไเพราะถ้าเป็นให้ช่วไม่บริสุทธิ์นั้นนะ ต้องการความพู่บริสุทไม่ใช่ต้การเป็นพระอีกใช่ไหครับเพราะว่าความเป็นพระของพ่านี่จะไม่บริสุทธิ์นะครับเพราี้ย่างเ้ยก็ไม่สามารถเจอคุณธรรมเนี่ยมีชานมันก็ไม่มเกิดขึ้นได้แล้วนะครับถ้ายังเป็นพระอยู่นะเพราะนั่ความเป็นพระของพ่านุ้ยที่เก่าเกินนะครับแล้วก็เป็นพราเชนตเนี่ยเป็นสิ่งที่มันบริสุทนะครแล้วความบริสุทธก็หมายถึงการเป็นขึ้นฐานเป็นต้นนะการปราบที่นัปรับคำที่หลังนะครับ่าะคำจะไม่รู้ใช่ไห เมื่อหลายพระพุทธเจ้าไม่รู้รถ่าวว่าเรารู้อย่างนี้ไม่เห็นได้กล่าวเวาเห็นอย่างนี้พราพุ็เจ้าไม่ก่าวคำใ้พูดกวางก่าอีกที่กล่าวคำถึงวัตถินแต่ว่าเป็นประารที่เมื่อแต่ต่อแรกกล่วาเพ่ออะไรก็ได้นะถึงนครับไว้ยังมีไว้แต่เอาไร้กล่าวด้วยสาคัญถึงไมได้มารู้นี่โอตอนนี้ก็แน่สองะว่ า, าเกี่ยวกันสำคัญถึงไม่ได้านนม า, า, า, ารู้เลยนะไม่ใช่วา่าค น, านมราณถึงสาคัญงก็ได้ได้นะ ต้อแบบคนที่เจอวิปสสาสมาริปสนาน่ะครับปัญญาแรกป็นาหนึ่งใ่ม้วได้กับวิปัสสินวิเกีนะครับนหรือว่าเกิดชาติีตรงนั้นนะครับต้องว่าสามารถถึงเกเรไม่ได้ด้วยกำลังของสมมาวิปสนานะถ้าด้วยกะมัณของสมมาวิปสนาอย่างไรอย่างหนึ่งนะรัก็คงว่าแน่นขนาดสิบปียี่สิบปีสาสิบปีนะมีได้าอย่าถ้าไปเจออาจารย์มาเรื่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราเป็นผาเนีน มัมีอไม่่าแปลใจเครับถ้าอาจารยสานะและด้วยกำลังของสารแหละามเป็นข่มไม่ได้กิเลสไม่เกิดยเาอเป็นสิบปียี่สิบปีเลยนะัในขณะนั้นตอนนั้นไม่เกิดเลยนะครับนี่ข้อแต้สาคัญทือกขได้บรรลุได้หรือาหรือถ้าเป็นผู้ที่ได้พรงสมาฐานวิปัสนาครับถ้าเป็นอย่างนี้ท่าจะข่มกิเลสได้นานกว่านั้นถึงครับแม้หาข่มปีครับข่มกิเลไม่ได้นะเรื่องหน้ากำลัของสมาฐานวิปัสนาสองอย่างวนกันครับ นั่นเป็นเวลา60ปีครับที่ไหไม่เกิดขึ้นควบงเลยัเนี่ยะิของท่านก็เหมือนกับจิตของพรานันธาเนินทศตวรรษให้ค่านั่นเลยเนี่ยจะไม่สาคัญผิดได้ยังไงใช่ไหมท่านคนขนาเนี่ยนะครับอืมแต่ท่านก็เหอว่าไอ้ความสำคัญผิดอย่างนี้เนี่ยจะไม่เกิดถ้าอนุญาตนะครับถ้าอนุญ้ไม่เกิดไปผิดรอ่านบรุ้จะรู้บรรุด้วยมบรรลข่านให้ก็จะรู้นะครับเพราพอบรรุปุ่มเน่ยของแ้วิดดับไแล้วก็จะเกิดไ เกิจะไหวชนะยางข่ไหมราอยาที่พิจารณา้อควรท่พาใช่ไหมเกลียที่ร่างนั้นไม่หยเลยใ่ไหครับท่านสิมูร์นะท่านจะไม่สัมผัสตอนนี้นะเราเป็นโสดาเราหรือว่ากป็นนาคาลาีอย่างนี้ไม่มีนะครับนั่นนะท่านจะไม่เอยนะครับและก็พวกคนผู้ศิลปก็ไม่ครับก็จะไม่เกิดการทำความผิดนะผู้ศิล์อย่านี้หรือว่ามีผิดก็จริงครับแต่มีผูเกลียดทั้งในปาร์ลิมปาร์ลิมีครับนักทิพย้องมาหา อันนี้ยังมาคัญสิ่ที่เไม่เกิดนะรู้งูขนต้นแลอ้แ่ึนตนแ่ึนี่เนาะเนมาลุเนมาุนู่นนี่เนาะเราเนี่ยไม่ได้เราหาูไม่สำคัญสิเรวินเียร์ขั้วที่ว่างเมื่อกี้นะครับผมินเดียไม่ได้เรื่องแน่ัวด้วยสาคัญอีกก็ได้ทะลุนี้ก็จะ่เป็นาไพัฒนาขึ้นไดที่พัฒนาขึ้ได้ครับได้เลยนะกลับไปเขากลับมานะ เมื่อกี้ได้ว่ามาติดตามนะครับหัวขพ่อสิดขาหลุปแล้นะเรามาก็จุดมาดูมิ้นท้าก็นมะยันนะครับว่าใครเป็นต้นมญยันที่นี้นะช่นก็เล่าว่าครับด้วยสมัยนั้นทุ่งทุกข้าวทุกเจ้าทุกขีนัุกปูการทางสารพาันมหาวันเอภพรคอรเวส า, าดีครั้งนั้นพิจุมาผูกเพื่อนกันนะซึ่งใครเห็นนะใครเป็นเพื่อนเห็นนะร่วมพบหากันมา ตามภาาอยู่ข้างฝั่งแม่น้วเขาคุ้มอาหารก็สมัยนั้นแหละวัดชีชนมอุตรคัดอาหารประชาชนหาอาชีพฝึกเรื่อนครับฝนตกไม่ค่อยดีนะครับแห้แล้งมากเลยขณะว่าข้าวมันตายหอยเลยนะครับท่งานเามักทำสนามซื้ออาหารนะทำสนาเสื้อหาเลยครับชาวบาไปถึงขนานี้นะเม่ราพูดรือไม่รับตอบเลยครับรับตอบจะเรื่องนบาลนะ อย่างจะไครเป็นไปด้วยการผีด้วยการผีปัญญาบักนะครับก็เป็นไปได้ยากของเรานี่ยนี่ที่สื่อนั้นเลยมาปรึกษาอาจารย์ดูนะฮะว่าตอนนี้ยยศีพเราหมดแล้วก็อา้าวอาหารใช่ประชานิยมีพถึงเชิงนะครับเราข้าวไ่อยู่กองปับมาแล้วนะเดียง์ยายเป็นไปด้วยการผีหัากเพ่ออาหารนะครับอาไม่ได้ง่ายเลยก็เลยมาปรึกษาอาารือนะว่าพวกเราเนี่ย ตึงค <inadvert> ืนเนคู่พร้อมเพียงกันร่วมใจกันไม่ว่าจะมีจอมภาษาหาสุและจะไม่ท okay. ่องลำมากหรมีสมารลื่นสบายอย่างไรหนาก็นี่ยมาประทุมเห็ท่าประทุมเป็นระไรครับท่านสอทั้งหมดใช่ไหมเราร่วมประทุมสาขการุณจะนีทำ่ง่ายเราจอมภาษาการอยู่อย่างหาสุและไม่ลำบากเรือหนสมาร์ทครับมีวิทยัยวิชาดีสมัยนี่อาารย์หารเข้าการทหารยากนะ แต่ทางไม่มีที่ให้ลาบากด้วยฐามาก็รามีพวกแม่ของเขาเสนอขึ้นมาขอว่าอุกหมายเชพวกเรามงช่วยในอเมริกาการอันเป็นหน้าที่ของพวกคือทหาเธอนะครัเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเขาจะมุ่งหวาดระบาแก่พวกเราก็คือมาอย่างนี้แหละนะพวกเรามีองหาสุทเพราะฉะนันได้ลบากด้่ยฐานมีมาเขามาช่อในกิจการเป็นหน้าที่ของพวกคือทหาร หมายว่นยังไงหมาก้อนช่วยแนะนานะเรื่องการทามาหากินอะไรอย่างเข้ามืเราช่วยแนะนําที่บอกนะเอาอยู่ทาเกษตรใช่ไหมอยู่ปลูกอะไรเนี่ยจะปลูกงิ้งจีมันโย่ต้องใส่ปุ๋ยอย่างนั้นนะหรือว่าควรมีนอย่างนั้ครายตองกลับคอยสามเขาเรื่อยเนี้ยนะคอยแนะนำเขาดูรู้แต่้าขายอย่างนี้อย่างนี้หนึ่งมยอเมือการอาจะเตรียมเล่นมทอนเต็มมือคอยสามงคอยบอกข้อนี้ครับ อย่างนี้แหละข้าได้สัาษณ์ลูกสายใช่ไหยได้หามือระบาดมาผัวนะครับเราก็จะที่รบาดขาาา้ารายสืบสารนจนี้นะคู่รุ่สองก็บอกว่าสเสนอขึ้นม่แล้วบอกไม่ควรต้นหานอย่างนั้นมันควรเรามครัเจะประโยชน์อะไรด้วยงการเชื่อมโยงกิจการอันเป็นหน้าที่ของพวกพวกื้นฐาถ้ามันหลายผิดฉนั้นพวกเรามันช่วยในหน่องข่าวสานเป็นหน้าที่ผู้นะครับของพวกพื้นฐาเถินะครับนบเป็นไฟเนเลย ช่วยจดสาษให้โยมนะแต่เม่อก so ่อนเข้าไปด้วยค้าโดยไปนะครับการสอนาษในบ้านบานนี้นะอะจะมีจดหมายก็มีนแต่มาเล่มาแลวก็เป็นคู้นะไปส่งหาาวที่ธรามะนะครับเอาไปมาในหนงข้อแรกนั้นเราหวามากก่อนครับขอแรกใือแต่ความคิดและความมุ่งพอใจใช่หมอันนี้นการช่วยส่งขาเลยบอกว่าด้วอมาไม่เขียนน่แหละนะพวกเราถูกจอมภาาหาสูงแล้วก็มั่นหมายด้วยธรรมะ หรือผู้ศึกษาจะเสนอขึ้นมาอีนะอย่างไรทั้งหลายจะประโยชนอะไรเพื่อการช่วยเงินเนหตุา ก, หการำำาเป็นหน้าที่ของพวกขึ้นหนักจะประโยชนอะไรด้วยการช่วยกานนาข่าวสารอันเป็นหน้าที่ของตู้ของพวกคึ้นหนักทั้งหลายผีชนะอื่นครับวิธีใดที่ถึง น, นะพวกเราจะกาบความปรกติมุติธรรมของต่างนั้นกันแกบพวกขึ้นหนักว่าที่สุดลูโน้องด้านพระพุทธชานะครับ ลูกน้อยได้ภูนน้อยและกยชามากเรื่อยนะได้เป็ตุลาชเป็นพระโสดาบันเป็นพระอกาศหารมีเป็นพระอนาจีเป็นพระผนัเราได้วิชาสาวุคโนได้ภูตยาหกดังนี้นะเมื่อไปเช่นนี้นหะพวกเขาจะมุ่งหมายมุตมาอย่งพวกเราด้วยไม่มีอย่างนี้พวกเราก็จะเป็นผู้พร้อมเพียงกันร่วมใจการไม่ยิ่บ้ากอยู่กำลัสาหาสุขและชำระาปร้วยธรรมะนะครับ กนที่ประชุมแล้วก็เลยตกลงว่าเอาวิธีที่สามครับดีที่สุดสะดวกที่สุดนะแ้่ก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ครับเป็นความที่ดีเราถือว่านี้นะก็เลยตกลงทํเป็นอย่างนั้นนะครับการเปิดกรมนะบุตรหมานามของกันและกันครับอาหนะพอทำบ้านมาแล้วนะก็บอกให้ทำบ้ารลุยๆลุกปลาทานนั้นนะโอ้เป็นถึงหน้าหาานเลยเนี่ยทำบ้านโอเรื่องใสนะครับตัดทางกันลันนะ ก็การตรวจกัครับสั้นต่อมาประชาชนแล้วก็พายกันดีครับว่าเป็นหน้าของพวกเราเนาพวกเราไห้ดีแล้วเนาที่มีพิสูน์ข้อหายผู้มีคุณพิเศษอยางปานนี้อยู่จอมภาษาครับข้อแต่ก่อนเนี่ยี่สุจน์ที่มนจอมภาษาในว่ดขอพวกเราใช่ไหมที่จะมีคุณสมบัติเหมือนพิสุจนพวกนี้นะไม่มีเราเห็นเราในภาคธรรมดาอ่างเนี่ยนะนี้ก็ดีใจครับเมื่อความรู้สึกยินดีเขาทาไงครับ เขาเขเอาอาหารดีนะท่านบอกว่าเอาโปรตีนนั่นอย่งดีขอควรเกี้ยวของควลิ้น้ำึื่มครับอย่างดีนะแต่ที่มาเขาไม่ได้กินเองนะครับของนี้ที่ารติดเขาไม่กินนะและเขาก็ได้ให้พ่อแม่กุมารแทนให้พ่อแม่นะบุตรภรรยาถ้าต้องใช้รมกรครับเมียหลาหา้าสาวหิตอาหารที่เขาไม่ได้กินเองและเขาไม่ให้คนเหล่านี้นะทางตอนนี้อย่างดีนะ เอามาถวายข้ารว้ว่ามุเศดเป็นผู้ได <ảo> ้แทรืองอาหาร่ยานี้ตัวหล่านั้นนะครับก็อยู่ในยแบบสุสบายนะไม่ลาบากด้วยาหารลสบากเลยครับถ้าไม่เลยสมัยนั่นนะในสมัยที่อากาาาศาหารเข้าไาหารหายากนะครับเมื่อไปอย่างนี้นี้ตัวเหล่านั้นก็เป็นผู้บีน้ามีนวลมีอิ่นซีของใสมีสีหน้าสนชื่นมีผิวความหลุดผอบถ้าบอกแล้วขอบภาษาเสร็จนะร่วงไปมากสามเดือนนะครับ กเกศน आ, าชนะศิวะชีวณิปไปนะครับอ่าหนึ่งไปท า, างมัคงคลาไปสู่พระนครเ ม, มริศานะครับและก็ไปเนี่ยไปฝ้าพุทธเจ้าท่านบอกว่าธรรมดานะครับมันเป็นธรรมเนียวนะที่จุดสงห์นายนุสจอมศานะครับแลวก็เข้าไปเฝ้าพุทธเจ้ารันนี้เป็นธรรมเนียร์นะของสมัยก่อนนะครับที่คน น, นั้นก็เหมือนกันความก็ไปเฝ้าแล้วเอ่อถึงพระนครเมรษศาลมีฝามหาวังกูทตาการสาลา และข้าวเป้าหรืว่าผ้าข <BE> ้างสวายนั่งผมนั่งข้าอยู่หน้าที่เกิดหน่วยข้านเนี่ยนะครับก็มันจะมีพวกผ้าพวนี้นะมีผ้าจากที่ต่างๆลยครับก็มาเข้ามาโยงกัอด้วยกันนะข้าอเหยวเทีแต่ว่าผ้าที่เวทีต่างๆนะครับเป็นผู้ที่ขอซุ้มซี้นะผ้าละข้าวอาหารนะครับมีผิวพันหมอนมีผิวหนียเหนนะครับมีเลอตัสภาพดีเอ็นพ่อแม่หาไม่ไม่น้อยต่างนี้ แต่ิู้สูงนี้กลับเป็นผู้ที่มีน้ำมีนวลมีคลีของใสนะครับ ม, มีเรือกลุ่มของนี่นะผู้ทรงก็เลยทรงปลาใสผู้สูงนี้นะครับอันนี้ข้ามไปเรื่อยเลยันข้ามไปเรยท่านบอกว่าผู้ทรงก็เลยหามผู้สูงนี้ว่าดูกวามผู้สูงไหนผู้เคยผู้คลองกินจะร่วมใจจะไม่ไมากันอยู่ตามใจฐานสุขและระมัดที่ระดด้วยวิธีอย่างไรหนูที่ส่วนนั้นก็สามทูนะครับ เรื่องไหนให้ทราบผู้ประกาศเลยครับบอกนี่แหละข้าทรงใช่ไหมวงตุลิของการราชกานนะครับอะไรนะอันนี้ต้องตอบไฟจริงๆครับเรื่องน่ากลั่แล้วตัวลองประกาศว่าครับดูความที่สุดหมายคุณมีเศษของพวกเธอแน่นจริงหรือเขาพิสูจนแล้วก็ตอบว่าไม่มีพระเจ้าข้าครับคุณออกเขาทรงติดตีอะไรครับติดเรียนเลยปริญาอะไรนะ ให้บอกว่านะครับดูสอนโมฆะอยู่ที่ไหนท้องอันพวดเธอคว้าและด้วยมีดเชือกโคลงยังดีกว่าอันพวดเธอตามชมกลิ่นนิสกรรมของกันและกันแก่พวกขึ้นหนัก็เห็นเพร้อมนั่งดีเลยข้อที่เราว่านี่นั้นข้องเหตุใดข้อบุคคลพวกคว้าท้องด้วยมีดเชือกโคลงนั้นพึงถึงความตายหรือความุู้กินแค่ตาซึ่งการทํานั้นเป็นเหตุ และข้อการกระทำนั้นเป็นปั่นใจเรื่องหน้าแต่ตาข้อตาแต่ไม่พึงเข้าถึงอภัทุติพิมิมัลลกซึ่งเนกรปกราส่งสง่งมุสาธรรมของการและการแก่พวกข้หมิสานั้นเบื้องหน้าแต่ตาข้าตายแต่คึงเข้าถรงอภัยทุกติติมิบมาลคโลกซึ่งมีการกระทานี้แลเป็นเหตุดูความ่าบุกหมายการทาของพวกเธอท่านไม่เป็นการวิพากเรื่องสายของคุสนิยมเลืทธ์สายหรือวากเรื่องสายของม่สติโยนเลือธสายนะครับแต่ต้องน ครั้งแรกตรงทำพมีจะห์แล้วรับข่าววุทธิ์่าวว่ายังไม่เปนะิดสุขาบุครับรับส่งตัดถึงเรื่องมหาันโท่าจพวกครับตอราีวิสุ่าได้เลยนะ้ามาถึงเวาที่ก้อยสีครับจะไม่มาหาเรื่องมหาันโท่าจพวกนี่น่ๆเขามาหครับเงว่างใมากเลยมหานโจร่าจำพวกครับอันนี้จไไดไ่นะเพรานะว่าใครโจทยตรงหน้าพอหน้าสี่และหน้านสองครับ ดูก่อนที่สุดทหลายมหาชนห้าจงพ่วกนี้มีปากดอยู่ในโลกมหาชนห้าจงพวกไปท่ไหนดูก่อนที่สุดทั้งหลายดูก่อนที่สุดทั้งหลายมหาชนหาจงพัวงในโลกนี้ย่อมัถาาอย่างนี้ว่าเราจพูดถึงจริงก่อนนะและจะมาเกี่ยวกับท่านะครับอันนี้ต้อยมีจริงก่อนย่อมัญหาอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่นาเราจะเป็นผู้อื่นร้อยหนึ่งหยุพันหนึ่งแบงร้องแล้ว ขอเกี <Run> ่ยวกับนาคานิคมคาลิคมและราชานีเบียเบียนเองแค่ผู้อืเบียเียนปัตเองแค่ผู้อื่นปัเขาหาใอ่้อื่นเขาหาสมัยต่อมาเขาเป็นผู้อนบุนร้อยหนึ่งนตอนแรกแกขึ้นหนี้ใช่ไเมื่อแกขึ้นหนี้นะครับก็ไปสมัยหาค้างผู้อื่นะครับช่างคืนข้างผูื่นะที่จะมาเโจด้วยกันโดยฝ่ายของแกนะทีนี้สมัยต่อมาเขาเป็นผู้อนุนร้อยหนึ่งหรือันหแม่ร้อยแล้ว เกี่ยวกับนาคาลิคมและลายเสืาวเบียนเบียนเองให้ผู้เบียนเบียนตเองให้ผู้ตัเขา้าให้ผู้เขาสาชัานค่อยเอามาพ่่งโตนะะฆังนี้แ่งนะครับดูความยิ่สุผู้หลายที่สุดผู้เรียวตามรูปในเรามยิ่นี้นะครับก็สานนั้นเหมือนกันนะตรงนี้ท่านายว่าที่สุดผู้เรียวตามธรรมดาแล้วตอนนี้นี่ตัดตาัดที่ปูและที่สุดผู้เรียวตาม จะหมายถึงยิสุผู้ต <laughs> <is a> <laughs> well ั้งของภาชินนะครับธรรมนานะแต่ว่าในศึกขาบอนี้นะครับไม่ได้หมายถึงยิสุผู้ตั้งของภาชิแต่ว่าหมายถึงยิสุผู้ตั้งมีในอิชฌาจาริชฌาจารแต่ว่าอิชฌาหมู่บไม่แต่ว่าความปรพฤติหรือความวิสัยนะไม่ใช่ความวิสัยนะอิชฌาจานะคือความประพฤ้ิเป็นไปด้วงหน้าเห็นความอยากความปัจจันติชฌาเป็นที่ของตาขา เอ้คำวตรไปเรื่องหน้าของไอ้ความอยากความต้องการนะครับในล่างสัขาปัญญาเททองหรือกระเสริฐใช่มมีการอะไรต่งต่างนะครับมีการใส่อิริยาบถเป็นต้นนะให้มวลนึกใส่จดหายนะครับถ้าวลแหลกชื่อว่าพทผู้เลวสารนะครับไอ้ผู้ตั้งอยู่ในอิจฉเที่ยวย่ำมีสุขาบ่นน้อยใหญ่ถ้ามาสมองว่าพิสุทผู้เลวสารในทีนี้นะรูปนี้นะครับก็ชนะเหมือนกันแล น่าพัฒนาอย่างนี้ว่าเมื่อไรเนอเราจึงจะเป็นผู้อนุสุร้อยหรือพันหนึ่งแม่ร้อมแล้วนี่ใจคิดก่อนนะที่ยวจาลิปปณาคามิคมและล่าสตานีอันพิหฐานและบำรุติสปักกาเอาโรคและีบูชาย่เงแรงครับนด้โยมยิ่งหมาเซนัสนาคีลานัปัใจเพศบริขารสมัยต่อมาเธอเป็นผู้อนสร้อยหนรือพันหนึ่งแม่ล้อมแล้วที่ยวฌาลิปปคานิคมห สมัยต่อมาเด็กก็ไปที่แก่ที่จริงๆนะครับก็คือแกก็ไปหาข้าศั่วนะในการโจมเมื่อกีนก้นะครับถ้าบอกว่านะครับที่สุดรูปนี้นะเมื่อทีดหนึ่งนี้แล้วก็หาข้าศัตรูในการส่องท่องนะครับพวกที่สุดผู่เรียลซาด้วยการไหล น, นะผู้ไม่มีความคล่องแคล่วในศิษยาสร้างจองของลูกนี้ป่าป่าจับนะครับผู้ข้ามเพื่อหลงมืมสติไม่มีมสัมปชัญญะมีอินทรีย์ตลอดนะครับ คือผู้ไม่สำรวมสี่ที่ท่านอาจารประชาขัตย์เองแล้วคือวิสูความขึ้นไม่มีหรือวมาอะไรนะจงประชาอารไม่เอาด้วยแล้วครับแล้วลูกนี้นะแกก็ไปส่งข้อขั้วนี่นะนะครับไปช่างคือไปส่งข้อนั้นนี่ะเพื่อจะเป็นขา้าวค่วนะครับผู้หนักในลนะ้างเราด้วยลาหนังนะั้นและก็ไม่สําเนียนะให้ศึกษานะครับศึกษาความดีของคนหลอกองงทุกนายมีการศึกษาด้วยนะ มันถ ah, <Ừ. S 1> ึงจะหลอกงอมด้วยการเข้ามาได้นะต้องบอกวินีมันต้องทำอย่างนี้แน่สามารถจสั่งการเรื่องสายบอกเลยบอกว่ามีการวารวิยาฆ่าการเป็นต้องือกเราทองำหุ่นยมต้องทำสุรุ่งงุ่นี้เดี๋ยวค่อยๆนะรู้ว่าได้สำลวใหม่อยเมือคนที่กลังเข้าฌานจะหลอดเวลาเนี่ยเอ็นยอมาเข้ามาเลยไปนั่งการหาเรื่องมาโยจมาขวานจะตัางใช่ไห นั่นหลับตาพน่งเลยนะมาคนเข้าช้าเลยโยมาเจอที่ฝันหเราเนี่ยเ น, นี่ยสอเป็นแบบปิเลยนะครับเป็นทางคนที่ท น, น, กก น, น, นี่นะไอ้ก้นแ่งนําทางวิ่งีทางเราบรวเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้มีคุณลพวกสูงุเรวทานนะครับเขาก็มีค้าพ่วกนะที่อ ย, อ, อยู่ข้าเรวทานนะครับซึ่งมันคือมีมางทาศลดนะะก็จะเป็นคนที่ คอยสักเสดอาารนี้นะครับผู้ทำความส่องในนิทานชาดเป็นต้นนะครับสมมูลด้วยกระแสเสียสามารถเพื่อวงต้มชาโลกสนัเสด็จอยู่นะครับด้วยอุายทนม้ามีการเอนาถึงเสนสนะที่ชาโลกถึงรูปเป็นต้นครับอย่างนี้ว่าถ้าเจ้ารูกนี้เข้าอยู่ตางภาษาอยู่ในเสนาสนะชื่อโล้มันเป็นว่าปฏิบัติอยู่มันเป็นวัดปฏิบัติอยู่ออกภาษาแล้วก็สองไปนะครับเหรียญนะ ที่สรุงน <uld público> like ี right? ้เป <and> <co> ็นลูกทีาเสริมเถื่อนแล้ก็นันคุณฮอตามไนะต่อมาเขาก็เป็นเับเมื่อกี้นะเป็นผู้ที่มีที่สู่ร้อยอยู่พันหรือแม่ร้องแล้วนะครับเที่ยวชางุไปในชางวิโกแม่ลจักรานีอันทนาแนด้ไปที่สันนเขาก็เรดูชาเต็งแล้วได้จวามีเดมาเสนหน่าไที่นานั่ันใจเป็นตัดบ e ุฐานหายดูบ้านุหายนี้เป็นทหารนสยจำพวกที่หนึ่ง มีปลาตุ๋นในโลกนะครับหรือว่าเป็นอาหารโจงมัน ห, หนึ่งนะข้อมูลการหลกอกลวงเขาบอกนี่ตัวที่หนึ่งนะยังไม่นายหรือว่านาากาศนะแต่ยังสู้พวดสุดท้าย น, นีน้นะครับต่อไปพูดที่สองนะครับดูควานทุกข์ทรารย์อีกข้อหนึ่งที่สู้วูดแล้วแต่มารูปในทางทีนานี้เล่าเรียนทางทีนันสถานพจนประการและน้องยกตัวนะครับ รู้ก่อนุถึงนานี้เป็นมหาชนขั้ที่สองมีการกดในโลก น, นะครับขั้วี่สองที่สู่รูปนี้นะครับไม่แสวงหาข้าหาขัวอย่างรูปปอม น, นะแต่เป็นคนนะเป็นคนที่เรียนปริญญาเก่งนะครับศึกษาความแรของผู้สร้างนะแต่ข้างนอกรู้นะครับแล้วก็แค่เระนะียนดีๆครับนะยอมฟังแล้วก็ซึมซับซึนนครับท่านบอกว่านะที่สู่รูปนี้นะครับเคลียร์ยมาด้วยานนะ แรงทำครับนะอยู่ในถ้งกลางบริษัทธิ์าทัศน์สูนเะป็นที่ตั้าความรื่นไเรื่อเสียอันไพยราะครับ mm hmm. ก็ถูกผู้รู้ใช่หัหยคู่เกิดความรื่นไสสัทยานครับคู่มีความสนใจนะก็โอ้ารู้ได้ขนาดนี้เลยไปถามในที่สุดแห่งธรรมปาม่ า, ม า, า, า โ, อโอ้ท่านผู้จเจริญไปได้ในตถาสตท้าณเจ้าลีบารยสำนักของใครอย่ mm hmm. นาง น, นี้แต่กายตายกลุ่นนะ เรากล่าวว่าเราจะสามารถให้ใครจะสามารถ้คนเช่นเราเรียนครับนี่ะใครมาสามารถเราเรียนได้ใช่ไแล้วเราไม่สดงอาจารย์ประกาศคำวินัยที่ตนแทงตลอดเองครับคือที่ตนได้มารูด้วยสยบกุญยาครับนี่ะประกาศว่าัวเองเนี่ยได้มารูดคำวินัยหลังนี้เองครับี่ถ้าบอว่าี่สูจนกมวยอํา ที่พระนากขาข้อทรงบำเพ็นบาลีซึ่งสี่สมขายที่ด้วยแสเกลับ้านหนูเมือยางลมานี้จัดเป็นมหาโจรจำพวกที่สองสามดีกว่าไม่ถูทุกข์หาอีกข้อหนึ่งที่สุ้เดียวตาล ม, มารูปในคำานินนี้ย่อมตาลกำจักเครื่อคงคอมมัจารีผู้หมดจบของเราหมายถึงเป็นขนะ้าอาผู้เพื่มคอมัจารีบริลุทธของเรอยู่ด้วยความเป็นข้าึกแก่คอมมัจารีหาหนูไม่ได้ไดีกวนะ่า ผู้ประพฤติทำอันบริสุทธิ์นะครับผู้หมดจดมอาค่ า, าเลยผู้ประพฤติผู้ปร พ, พคมมิบริสุทธิ์นะครับแม้ตั้งแต่ค่าธนาคารไปจนถึงครานวะิานิศต็นครผู้ปพฤตอมมิรบริสุทธิ์ต้คาเาะคาคาอาารเนี่ยเอาผู้หมดจดแล้ครับค่านี้แล้ว ก, ก็เน่านาคไปถึค ใ, ใครครับจต้งจ่ายได้ครับ ลูกเินแต่ยานกูชวนใช่ไหมครับถึงการลูกกูชนเลยนะครับเห่นะเดี๋ยวยังไม่ได้มาดู้ใแต่ว่าเป็นกูชวนคนดีอย่างนี้นะครับศึกษาเป็นัติกำรัในความเพื่ดีนะเ่ึ่งดงทร์นะครับแล้วก็พิสูรรูปนี้นะไปตามตจทย์พิสูจน์ไปอย่างนี้นะครับเป็นข้าราาหรือว่าเป็นผู้ควบคุมรันทร์นะรับบนสูงอยู่ โจดด้วยนครับด้วยันแบบปาราชินแหละด้วยความเป็นข้าศึกจงค์อาจารย์มหาูมินี้ไน้มันมีโจดด้วยแบบปาราชินนีดูฝันรู้สุดขั้วหมายนี้เป็นมหาจนเป็นพวกพิสามีปลากรูในโลกนะครับอันนี้องคหมาต้นนะั้เป็นโจเป็นขพาศัตรเลยครับแต่ที่อยู่เพราะว่าอย่างนี้นะเป็นข้าศึกอยู่ก็หมือันนี้ครับ